เรื่องมนันข้อสาครั้งนั้นมันผู้มีบาปได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กล่าบทูลพระผู้มีพระภาคเป็นคาถาความว่าท่านได้ถูกบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คล้องไว้แล้วท่านได้ถูกผูกด้วยเครื่องพันธนาการมากมายแน่ท่านสมณะท่านไม่พ้นจากเราได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า เราได้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งป่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราได้พ้นแล้วจากเครื่องพันธนาการมากมายแน่มานผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กําจัดท่านเสียแล้วมานกราบทูลว่าบ่วงนี้เที่ยวไปในอากาศมีในใจสัญจรไปอยู่เราจับท้องท่านด้วยบ่วงนั้นแนสมณะท่านไม่พ้นจากเราได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะซึ่งเป็นที่รื่นรมใจเนหมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กาจัดท่านเสียแล้วขณะนั้นมารผู้มีบาปทราบว่าพระผู้มีพระภาครู้จากเราพระสุคตทรง ร, รู้จากเรามีทุกเสียใจได้หายไปณที่นั้นมารกถา โจ